ในขณะฟังเทศไม่จำเป็นต้องสง่งจิตออกมาสู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศมาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือ ทาสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแขกคนเข้ามาจะทราบทันทีนี่ความกระแสะเสียงของอัดของธทรรมที่ท่านแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสหยิตที่เรา มีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดว่าขาดตอนสามารถที่จะทำกิจให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นเพราะภาคปฏิบัติกิจภาวนา เกี่ยวกับการฟังเทศนี้เป็นภาคภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอายาบทยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งนี่หมายถึงภาคปฏิบัติ ผู้เทศเทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนูง้นเรื่องนี้ไปอะไรๆนนั้นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานเขาสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลําพังแล้วรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมาก ทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังด้วยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธการท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธการการปฏิบัติทาง ต้านยิจตะภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธ ก, กาลปริยาตนั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติเพราะนั้นการเทศท่านจริงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติยิทธะภาวนาเริ่มแต่สมาธิไป สมาธิขั้นใดขั้นพื้นพื้นเช่นขณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะขณะอุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตนี่ที่ท่านว่าอุปจาระสมาธินั้นมัรวมเฉียดเฉียด น, น, นั่นแหละผู้ที่จะเข้าใจเรื่อง อุปจาระสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่าง ตามจตดิสัยของผู้เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆกรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏนานิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็น ภีพพเพเทบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองยังมีจะได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นขณิกะอยู่เสมอในภาพปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบความปรุงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละ ทั้งทั้งที่พื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความล ะ, ละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีปรุงอย่างละเอียดละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในบงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้น เป็นส่วนมากแต่จะไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตุกั บ, กบตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินได้ฟังจากท่านสอนรู้จักทาอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่ก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเสาะก็กเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้อย่างหนึง่งมันเป็นอุปจาระคืออุปะไปว่าเข้าไปถ้าจะแปลาตามศัพจระไปว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้เนี่ยเรียว่าเที่ยวจระคือเที่ยว กระแสของกิจที่ออกไปอนี้ว่อุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจอ่อกับผู้เทศ ภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั้นความสัมผัสทำจากกระแสะเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลําดับลําดาจะทําให้จิตเพลินตัวไปกับกระแสะเสียงนั้นแล้วสงบหรือละเอียดลงไปโดยลําดับลําดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้ เห็นอย่างให้เห็นอย่างชาัดเจนมีวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติเป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกอยากละเอียด เป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลําดับลําดาบลิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษารเราเรียนอยู่มากกี่เดียวคือภาคปริยัตมีแต่การจดจำล้วนๆและจดจําได้มากน้อยเพียงไหรก็เท่ากับสร้างความสุสัยสสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองเธอไม่เป็นที่แน่ใจจาก ความเรียนความจําได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าทันว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนั่นรูแล้วเข้าใจไปโดยลดับไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหน เป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยตัตอ่านตามตำหนับตำลาได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทํานองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนทแท้เครือบแพลนอยู่นั้นแหละไม่หาย เรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เครียดที่ภาพที่วาดวันนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่ที่เราวาดึันนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายๆเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุ น, นี้เองการเรียนมากน้อยยิ่งไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเอง เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกราทั้งนี้ไม่ได้เราม่าได้ประมาททางด้านปริยัติแล้ให้นี่พูดถึงเรื่องปริยัติว่าให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้นเพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้น มีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาพปฏิบัติจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆ ตามธรรมดานิสัยของเราเราท่านท่านเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตันยูวิปปิกิตันยูคือผู้ที่จะรู้ระ อ, อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาด เดินพาคิดพาอ่านไตรตรองเหตุผลกลไกต่างต่างเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทรมีอเิจังทุกขงาาังนตตาอาุภะสุพังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญานั่นไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆ จะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติตันยูวิปีตันยูเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณนะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุทมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมานียเป็นเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้ อ, รอมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เก็บความสงบไม่ยุ่งเหยิงบุบวากยกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร มีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองเอแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นน่ะเหมือนกับว่าปัญญาหนะักก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามซะเด็ดก้วาวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั้นแหละไปกับสายอัดสายทำคล้องอัดคล้องทำไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้กาวเดินไปตาม ท, ท่านแสดงนั่นนั่นเป็นปัญญาของท่านผู้ที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติตัญยุบุคคลหรือปจิตตันยุบุคคนขณะพวกเหล่านี้จะต้องได้อาศรรยัยการพาดําเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาเสก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทํางานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กทะเลาถลาย เพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานจึงไม่มีแต่ใจที่จะทํางานตั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลทลายนี่ก็เหมือนกันนั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตขี้เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรื อ, อความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอก ตาหูจ ม, มูกิีนกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมประกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบพวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอํานาจแห่งสมุ ท, ทยัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทรมารยให้เกิดความรักความชอบใจความกําหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียง ความสมบัตสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระทืนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้งไปเหมือนพูดบอกก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็ก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยเฉยได้เมื่ อ, อไหร่ มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอํนนานาจของสมุทยถักดันให้ไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางตลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสําคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งการมรากามราคะเป็นสําคัญมากที่เดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมด หนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิง่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนาไปนานไ ป, นนไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขอังอาาัตตะก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบพวน ความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั้นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่อยู่อย่างนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พาก้าทางด้านปัญญาให้ให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าเงันเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติ จะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของเนยยบุคคลอย่างพวกเราเราท่านๆเว้นท่านผู้ที่เป็นคิดปาพิญยาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องได้พาพินิษพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลําดับลาดาบนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็น ผลข้อ ง, งานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหวตัวเริ่มรู้หน้าที่การงานของตัวเอง <c oughs> เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เราเนี่ยทาการทํางานไม่ต้องมีใครมาบังคับแังชาเพราะทราบผลข้อ ง, งานแล้วย่อมจะทําไปโดยลําพังนี่ก็เหมือนการพอปัญญาได้เห็นผลข้อ ง, งานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลําดับนี่ท่านาปัญญาเริ่มเกิด <c oughs> นี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้ว ที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็าตามจิตก็เห็นว่าเป็นเครื่องเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่ง ป, ปัญญาได้ก้าตัวออกไปจริงๆเนี่ยมีหน้ำถามกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทั้งผลของคุณค่าทางผลที่เกิดขนขึ้น จากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลําดับลําดับจึงส า, สามารถที่จะมาตําหนิสมาธิแม้ว่าเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็าตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยๆทีนี้ไปมาเห็นโทษนะการติดสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยๆพูดถึงขนดาด น, นั้น หรือว่าคิดถึงขนานั้นกับตัวเองตําหนีตัวเองคือตําหนีสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็เกล้านั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตาม ต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนชี้เด็ดไปเองโดยลําดับลําดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วท่นั้นก็จะได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะ พอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะักเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นหรือถึงระยะที่มันติดเกิดความโง่นสนเท้สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทยัยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกําลังขนาดนี้ถ้าเราเทียบ แล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นลหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ญญทีหนึ่งทีหนึ่งเปนอย่างพระสาวกที่ได้สดับตับฟังไปพูดปฏิบัติอยู่ในป่าเนเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองน่ออกจากนั้นแล้วจะจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกัน จะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาตนมัตหรือจะเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การตดถอนจิเรส ก็ถอดถอนไปในในตัวของของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนั่นแหละพระานจริงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นราก ล, ลงไปจริงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนีพ่พระพุทธเจ้าพระศาสนาบวกทั้งหลาย ท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลาพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับลาดานนับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลิดวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานมีแต่งานลบงานฆ่ากิเลสทั้งหมวเว้นแต่หลับเท่านั้นแล้ว เรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออํานาจของจงวรไทยหมุนจิตให้เป็นมัตติกิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยระดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นกิเลสตัณหาสภาวะเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอํานาจของปัญญา น, นี้มันเป็นเหมือน น้ำไหลไฟสว่างเจ้าเข้ามาจ้าเข้ามากองทัพทานี้เรียกว่เาเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่กิเลทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตตะจากวัตจิตขึ้นภาณในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ะความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบททั้งสี่ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่รับเท่านั้น พอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นตัวเองระหว่างทำกับยิเล็ดนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปด้วยลำดประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้รู้รู้เป็นลำดับลำดาแล้วส่วนที่เบาบางไปกับรู้และเห็นชัดภายในจิตใจนั้นแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอน น, นั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังหารกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานันนี้แหละจนกระทั่งสังหารกิเลส ที่มีอยู่ภาในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดี สมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรักก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมุิด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันนะมรักเป็นเครื่องแก้สมุทยัยนิโรธดับก็คือดับทุกอันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้งสี่อย่างนี้ได้ทาหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรกหรืออยู่ใน องอเลยสัต์เช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุโมไทยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดาอาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลส ก, ก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นกระสุดสูงสุดของสติปัญญา ที่ข้ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างขาหลาเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอํานาจแห่งมัตตมีสติปัญญาเป็นสํางขัญแล้วข้หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ ท, ที่อันหนึ่งที่ที่ นอกเหนือไปจากอริ ย, ยสัจสี่ได้แก่ทุกขสมุทัยนิโรธมังนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกขสมุทัยนิโรธมังเพราะทั้งสี่นี้เป็นสมุทติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นมิมุทเจึงไม่เกี่ยวข้องกันนี่ภาคปฏิบัตินี่เราทำกัพระพุทธเจ้า ท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัตจิตวัตจักรจนวัตจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกแต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปอย่างนียกับวัตจิตส ม, มุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลําดับลํานาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความโมจุด้นร้อนแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวง ขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงทาตทรงขันรับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นมเมื่อได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความคิดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าภาราฮเวปัญจักขันธาพาราฮาโลเจปุคาโลเป็นต้นนะขันต่างเป็นภาราอันนะ นี่เป็นหนักได้ทั้งปุดชชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระญบุคคลชั้นพระหันแต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปท า, านแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปท า, านความยึมมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วย น, นแต่ท่านผู้สิ้นไปนแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันเท่านั้นเองสันทา ย, ยา น, นี้หากมีต่อกัน อยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูสิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถน่นแหละหากว่ลล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็น รากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูแล้วจะโดดผึงในทันทีทั้งทที่กําลังจะ ก, ก้าวเหยียบลงอยู่นั่นแหะแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึงข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่ที่องความรู้ไม่สะทกสถานไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราตอนนั้นส่วนสามัญธรรมดาเรา ถ้าลงได้ถึงขนาดทิศโดดถึงด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูนี่จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตทังท่านผู้ผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการนความลื่นนี่ จะหกล้มกรมกราบลงไปก็ตามยังไงจิตทุกท่า น, นก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองเรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาดังเดิมไม่ถอนอันนี้ไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะวิชชาพให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้ว ความยืนั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยืดก็ไม่ยุดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชาปญาสร้างขาระนั่นเป็นตัวสาเหตุหแท้ให้บังคับให้ยืดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านหรือหมดไปสูนไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยืดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นกล่องสําคัญมากที่เดียว ผู้นี้แหละผู้จะเบียนไม้ตาเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดคิดแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์รืบุคคลสัตว์น้ําสัตว์ปุกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนท่านขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจาก ความเกิดจากเก็บตายหมุนเยียนเปลี่ยนแปลงเป็นในปกน้อยพบใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความบ้างจากความเป็นนักท่องเที่ยวแว้นจิตของพระพุทธจาพระอรหันต์เท่านั้นะพ่อนั้นหมดชั่วแล้วแล้วก็หายกังวลนิชชาตโตไปนิบูโตดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมด น, นั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละ มีแต่ว่าปริญญาผ่านปริพญาผ่นคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นที่ว่าพิษภัยอะไดที่พาให้เกิดตายกระตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นนั่นว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับถ้าไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิด์ดับรอบนี้นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบตัางหาะเป็นอย่างนั้นนี่แหละการที่จะแก้ การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความมุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้เจิงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวจะพ้อยอย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนี้นนเพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเอง ได้โดยลําดับลําดับจงกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคาราวาสญาดโยมเขางานของพระในครัง้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินตะกลมหน้าของมณฑิพร น, นางานฆ่ากิเลสไม่มีคําว่างานสังสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับโกงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามัน อะไรมันเคอะเคอะเขินเขินมันเหมือนของแปลกแปกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทําใครก็อยากทําอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งทั้งที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันนักค า, าเป็นอย่างนั้นนี่มันเลยการเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสจะเสียแทนที่จะฆ่ากิเลส ถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันต่างสมกิเลศมันต่างสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนกรุงทีไรปับ๊บ ม, มันก็เหมือนก็มันคว้ามาเต็มมือแล้วกรุงอะไรปับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาเอาคเอาไฟมาด้วยอํานาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทยัยมันพาให้คว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแตัวกรองทุกความทรมานภายในจิตใจ เมื่อสติก็รู้และปัญญาจะนอนตัวไี้ไยังไงมันก็รอบตัวทันทีทันตีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าก็อู่ทางด้านปัญญาแล้วที่เลียจริงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นหรือผิดตัวขึ้นมาได้เหมือนยังแต่ก่อนอย่างน้อยก็จ ะ, จ, ะจะสะดวกเมื่อแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยปูดด้วนลงไปปูดด้วนลงไปทั้งนั้นทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้วมันปูดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่น เราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจกรักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเติงไม่ได้จริงพูดตามเหตุตามผลตามความจริงความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่เราเคยปฏิบัติามาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสาคัญมากที่เดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรปิดไว้ไม่อยู่เลย สิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับทําเห็นกันเจอกันจิตกับพิเดศเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอ ก, ก, กันแหละเออันนี้มีตามีหูมีอะไรก็เธอมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อไม่แม้ถืกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศา ส, สดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดตึงดูถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้น ไ, ไม่มีใครสอนเลยทําไมพวกเรารู้ได้รู้ได้ไอ้เ่านี่ท่านสอนแทบเป็น แ, แทบตายนะตำหนักตำรามีกี่ตำหนับตาําราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแ ก, แ ก, แ ก, ก้ตัวเองไม่ไดนะ้นี่แค่ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานนินะนั่นฉันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะจ ะ, จะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้น จ, จริงๆรนี่ไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่คว ร, วควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะจังหวะจังหวะกันในเมื่อทําได้เกิดขึ้ น, ข, นขึ้นที่ใจแล้ว มีแต่เรื่องทำแจะกระดิบภาพก็เป็นทำออกทำออกทำออกหน้าที่ออกทําการทํางานทําการทำงา น, างานคือค่ากิเลสเบิกทางตัวเองลองไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมั น, น yes? ม, นนน ม, อมีอะไรปิดนี่มันจะมีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรปิดดินฝ้าอากาศไม่ได้ปิดหัวใจนี่ น, นักว่าเมื่อแจ้งไม่ได้ปิดหัวใจดินน้าลมไฟไม่ได้ปิดหัวใจกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจนั่นเวลามันออกจริงๆแล้วมันเห็นโทษของกันแล้กัน จีเดียดมันเบิกออกเบิกออกมันก็กว้างออกกว้างอกทิก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็จีเดีนั่นแหะปิดจะเป็นอะไรไปฟาจีเดียดมงคลนะมันก็เห็นมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกําบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนจะสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกาบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะเอถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้เวลามันเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันารจีเดียดมันปิดหัวใจก็ปิดอย่างนั้นเมื่อถึง ขั้นที่ทํำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกม า, ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดๆสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้าน ม, มาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นเราจะเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าหระของจริงอันเดียวกันนี่แน่หน้าหลักที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันเนี่ยเป็นทางนั้น จัง ว, ว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนฮนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมทำเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้าไม่มีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลองมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับบันเหนือโดยลำดับลำดับแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้เหระ พรพุทธเจ้าะสยามผู้สยามผูม้่องรู้เองเปิดขึ้นมาเองผุดค้นขึ้นมาเองอความหนานแน่นของกิเลสมันหนานแน่นขนาดไหนฮองเปิดออกมาได้ผุดโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มาสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกอรรู้ได้เป็นรนดับลำดาดังท่าอน ญ, ญาคนอนยาเป็นปฐมมาสาวก จากนั้นก็เปิด ก, ก, กเผยเอาหมดโลกธาตุกว้างฝว้างออกไปเดินดับลินดาลูล้ตามเห็นตามลู้ตามเห็นตามก็ได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตวัตจักวั ต, ตจิ ต, ตาจภายในตัวเองคืออวิชชาปยา น, นี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นทว่าไม่นูกข้างนาถิอชาตัดก ทุกย่อมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่ายอย่างนั้นให้มันเห็นดูสิว่าทุกมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดกิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดนในเจ้าของสิมันเราจะจะสงสัยผู้เจ้าไปไหนจิตประเภทใดนะ่ะกิจที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่ากิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ต่อที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยอี่ที่เกิดมาเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะทีทเกิดหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้น ทุกคนมีเยอะแต่ผู้ไม่เกิดมาซึ่งไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมนนาธิพรานางฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับตรงสารมันเมตตาธาตุสี่ดินนะ้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นมอย่างนี่ ตื่นอะไรมันเออในตัวของเรานี่ก็ดินน้ําลมไฟมีหรือไม่มีอากาศมีหรือไมีมอยู่ในเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นักอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรเนี่ยดินก็ธาตุดินนี่ธาตุาน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกรทั่งก่า น, นี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรื อ, อ, อถ้ามีทำเข้าไปจับแล้วมันจะอิมอ่มทันทีตีมทันทีถ้ามีตะกีเด็ด ลากไป ล, ไปล or, ไปากไปเจงตายขี่กับกีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อ <Sé S 1> <aded heart> 응ิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนาฏตีตันหาสมานาทีอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตันหาไม่มีธรรมชาตินี่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายทึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพราอทําจับเข้าไปจับเข้าไปทัดคานต้านทานเข้าไปเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนี่บิดาเนิ่ยบิาเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตาย แล้วเสาะแสวงหาคุณงามความดีเสาะแสวงหาได้ทลาก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏบุบจํานวนของวัฏจัเข้ามากี่พบกี่ชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏจิบย่นวัตจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจงกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดพบตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจ น, นี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์ หาให้เจอหานักนักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมเบอร์เจ้าส่วนข้าโตวักรตสมโมตรับไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์องค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสนาองค์หลอกลวงเห็นแล้วถึงมาสอนรู้แล้วถึงมาสอนโลกอือบรมาสุขก็รู้แล้วถึงมาสอนโลกมหันตทุกก็รู้แล้วถึงมาสอนโลกศา ส, สนาองค์ใดที่สอนแบกแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่หรือก็เราเป็นลูกศิษย์เทวธาตุลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกทำเสมอเนาอ ต้องต่อสู่กับธรรมให้เราทราบเราจะใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศีลตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็รู้เรียกว่าลูกศีลตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสหรือปล่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยกล่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกขิตกิเลสลูกขิต เ, เทวทัศน์นั่นเองและและทํานายเจ้าของด้วยนะเทวทัศน์ืมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ ผมไปรับหมู่เพื่อนมากินมานอนอยุ่เฉยมากโก้เก้ยุ่ยเฉย น, น, นะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสนะทานจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้หรอ ไ, ไม่รู้จกทานจงกรมท่านแล้วนะจะือว่าไง เราเดินไปที่ไหนเราดูสถานยมกลมของพระขี้เกียจเนี่ยเดินไปโน่นเดินไป น, น, ไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำไ ง, ยงยอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทํายังไงกิเลสถึงจะถลอกบอกเปิดทํายังไงกิเด็ดถึงจะตายทํายังไงมันถึงจะจมมัต้องพูดแหละมันมแต่สร้างความล่มจมให้แก่ตัวเองอีกตลอดเวลาสงสัยในหลายตรงนี้เนี่ยใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไฟหรือดิ้นออ ก, กไกล นี่ไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังนี่ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทพก็ยังมีหนังสือก็ยังมีเพราะน่าจะได้เป็นคติเกลื่อนใจเจ้าของนอกจากการเทพให้ฟังดุจสดร้อนนี้แล้วก็ยังมีเทพยังมีหนังสือไกด์กองตั้งเอาความจัดความจริงเข้าสู่ในสิน่งตั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอแล้ละเหลี่เหลวแล้วเสื้อข้านั่น อยนั้นมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ทําไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในรูปคําคํ์เอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรูปคําคํ์สอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็น ถ้าว่าไงแล้วท่านสอนเจ้าของเจ้าของไม่ได้นี่เรียกว่าลูกคำคำศาสตร์อาวุธมีเต็มจะจะจะจะจับชิ้นไหนมาอ ม, ม, ม, มาลบมาฟันช่วยตัวเองไม่มีไม่ไมีปัญญาจะจับมาปลายนิ้ยมันคืนเอาคืนเอาคืนเอาโ น, น, น่นตอเมื่อไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไปอนันองค เ, เอกและวนันสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงชี้ล ง, ช, ลงชี้ลงในหัวใจ บอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันค่อยๆเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจเหมือนเวลามันงูปูป่ามันทงสายมันเป็นยางังนะเจ้าของก็เรียนมามันก็มันก็ปฏิบัติไปได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้หนึ่ง เวลาเช น, นั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมุก่อนมาหานี่ก็มาด้วยความเป็นเองมาตามมัธยอาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็ก็เทศแล้วก็พูดพูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่จะให้พูดเรื่อว่างอีกท่านก็บอกว่าสอนเต็มภูมไม่มีอะไรลี้ลนะับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลย ภายในกะหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือช้อนหมู่เพื่อนหมดเบิดออกไม้เห็นอย่างเต็มที่เต็มทางเลยแล้วก็ใช่ผมหาอะไรมาให้อีกช้อนไม่เพียนเนี่ยประคังซิค่าีิเลสด้วยความเพียเ้ยนหรอไม่ใช่ค่าีิเลสด้วยความเจียดคร้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับทำยังไงความขี้เจียดขี้คร้านท่อแท้ อ, อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรม คลื่นกระแสของนรกจกเปรตมันมากต่อมากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะทางทลายทางทลายไปตามกระแสหรือคลื่นของนรกจกเปรตเนี่ยที่มันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรแล้วก็เป็นแต่เรื่องค่ากิเลสค่าค่าคนค่าพระค่าเนนทั้งหมด เห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี่เราเห็นไหมเออแล้วยังอย่างบ้านเรานี้ยเอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงเออหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างเน่นี่อูบาร์ตรงที่เหลกมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปโอ้ถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแลดีตู้เย็นนั้นละเป็นเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวิดีโอฮ มันจะเข้ามาทํำลายเข้าตรงกระทั่งพุฏิท่าเห็นไหมทุกวันนี่ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเพราะว่ า, วา น, นี่หาอวดุตติไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้คิดผายท่าและธรรมะมีในใจทําไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนถ้าขนาดพวกเราเราท่านๆทาไมจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นไปแล้วมันทำไมมันเต็งดื้อถึงด้านทําถึงขนาดนั้นเอามาทําาอย่งได้อย่างนั้นอย่างหน้ า, น า, นาด้านเห็นไหมนี่นี่แหละกีเรตมันตัวหน้าด้านถะลงไม่ได้เข้า ขาวหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะยยานเท่านั้นเออรู้อเอาที่พระวิชาท่สอนให้ดีให้เวน้นโห้ลูกขมูลเส้นนาสนังอ่ะบางที่ให้ไปอยู่ในป่าในะเขาในถ้าเนือ้อผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ข้านุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่้สุดต้นไม้ที่เป็นที่ หาอยู่หากินเช่นมันมีผลมหมากล่าไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอทู่เ่นก็อย่าไปอยู่เชิงสันที่นั้นมันวุ่นวายนั่นว่ะเออท่านท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นเนี่ยวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่ทสงบสงัดวิเวกนะให้ประกอบความภักเพียรทั้งวันทั้งคืนดื่ม น, น, น, นอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชจิมาปฏิปทาเรียกว่า <c oughs> อะไรในนั้ ในอานากาปฏิปทานสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนนั่นแหละสูตรเอามาสวดสวดมนุนผู้สวดกระสวดยิ้มเวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจนกลมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดลออมากที่สุดท่านไมาได้ไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ้นเหล่านี้มาเผาหัวนะทําไม่ได้ว่า นี่แหะมันเผาหัวจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจผ้านั่นแหละจะเผาหัวใจไข่เรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกเฮ้ยนไะม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทําไมฮนะ้ถ้าลูกอยู่ถ้าถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทําไมถ้าเราละอายในความเป็นผ้าของเราอยู่เอามาทําไมเฮนะ้นี่คือมันหน้าด้านนั่นเองคีดเด็ดตรมันมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันถ้าทำให้ด้านนะหน้าด้านหน้าด้านไปเลย นี่โอตปะไม่มีน่ะว่างอ่ะแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องมีเป็นเรื่องของยิเงใหญ่ไปท้งหมดเลยมาไงหมืนหน้าทุเรศไหมเึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นอนี้เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้แล้วนันมันมีแต่ค่าทุกเต็มรอบด้านคุณยังไง ทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอ่านเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะอะ้ที่เทเลตมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดดังอ่านดังทำขึ้นมานี่หัวเราะนะที่เลตหน้าด้านนั่นแหะที่เลตหัวเราะทำดูเอาดูอย่างท่านใครเป็นก็ตามดูเอาที่เทลตหัวเราะทำเป็นอย่า ง, ง น, Whereas, น, นั้นแหละอ๋อละปิดละนัานนั่งหายละเปิดนิดเดียวเปิดขึ้นมาอะ ไม่พอหกเป่วยมันมากเลยว่ว่าสงสารในขนาะนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อาพามคนนี้คนหนึ่งอาโนนว่ะนั้นเพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตของพระองค์อ่ะหรือพระพระพระสายรางของพระองค์อ่ะตอนนั้นิยังไม่เป็นพระบรมธาตุยังไนึกว่าแหละพระสายรา่างพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละ ถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นริพานเมืองใหญ่เดีวขอจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดข้าศึกกันพวกช่วงข้าไว้หมดจึงต้องไปบริพารในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่งที่เห็น น, หนั่นแหละทำประโยชน์ดีนั่นแหละเราเนี่ยมีเท่าไหร่อัมีเนี่ย <laughs> เชื่อโลกยังไงท้งสามไปที่ไหน อ, อดท้องสารไ ม, ม่ได้นะเชื่อไปเชื่อเชื่อเชื่ อ, อพระพระรหัสนอนหลับแล้วไม่ฝันีอันหนึ่งอันหนึ่งในในห น, ง น, นังสือก็มีอยู่ดุ้มจะจะหลายเรื่ออยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จ ทหารแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันถ้าถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันแล้วต้องตายอะไรใน ห, หลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรจะต้องมีฉีดมีขัน้นมีบังคับบัญชากันกดกันพิจ น, นาศว่าถ้าถ้า ถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลยเจ็ดวันแม้ตายที่จะอยู่ได้ภายในเจ็ดบังผู้สิ้นเกียรตแล้วถ้าไม่บวชแล้วจะนดำแบบตายนี่นะในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม้ใช่พูดเฉ่ยว่าเล่าเห็นจริงอันนี้พอดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนะักแต่ก่อนก็นเหมือนกับว่าที่ว่าพระพระอราหันต์นอนนอนนอนหลับแล้วไม่ฝันนี่คือนนว่าผู้สาเร็จ อ, อาราธตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายในเจ็ด 1, วันไม่บวชก็ตายมันจะเห็นที่ น, นี่มันก็มาทํามันทําให้อดคิดไม่ได้นะทุกวันมันไม่คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของท่าของขันทําไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดุกกระดิบได้ทั่วๆเหมือนทั่วๆไป ทำไมพระอรหันจะฝันไม่ได้นี่สิเอามาเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันนี่มันชัดเจนจริงทั้งกีดด้วยเอาทั้งขันห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมากผลณิพานท่านสังหารขันห้านี้ที่พ่าไปแล้วเหรือท่านขันห่านี้จึงดีบดิ้นไม่ได้การดีบดิ้นได้ก็ฝันได้เลยสินั่นระว่ังขันเป็นขัน ถ้ไม่จะฝันไม่ไดน้นี่นี่มันน่าคิดอยู่นันคิดอะไที่นี่ใครจะว่าเป็นคิดผี่ก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดเราแล้วย่เราพูดตัวอย่างเห็นจะทกาบกันอย่างพ่อแม่ครงอาจารย์มั่นเรานีตอนนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านท่า น, ท, านท่านนอนหลับท่านละเมอไปท่าขันมันไม่ค่อยสบาย พอนอนหนับกลท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเอ๊ะเราเดินจงกลมอยู่ข้างๆนันเราก็พุบพับแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคนได้ยินเสียงเราเดินแบบก้ใครอยู่ข้งลับเรากระดาบเบียนท่านครับผมมาเสียงขอแม่คุณจานท์ไม่เพ็้ยผิดปกติระหว่างโอ๊ะเี้ยนไรที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยเ น่นฟังผิเลยที่สมุนไพรันเมื่อกี้นี่ยนะขอรเื่องหมาอย่งมันยังหมามันไม่ยางบวชเปผมลืมันละนี้แต่เราเจอก็หมานะเนื้พูดเรื่องหมาพ่นพ่นพ่น่บ้าให้หมาพนดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะงั้นล่ะผมลืมสมนาพทกจได้ใช่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันเอาก้าๆกันนะยังคิดปกติผมได้ยิมผมเป็นกลุ่มขังๆนี่ เพื่นนาจะห้องสลานแต่ก่อนกุติท่านหลังนั้ น, นมีนมุ่มีดเลยเพื่นกั้นห่องสล า, านว่มันหลังที่ผมไปจอบตั้งคนหนึ่งนมีหมาตั้งน้องผีทานกั้นห้องสล่ายอยู่แล้วก็กพอเพราะท่านไม่สบายนะั่นเองอ่ะท่านเป็นหวัดหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินกวนกแหละอยู่ข้างเพราะถ้าขันทําไม่ดีก็ทราบท่านีงก็ทราบความนี ผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินอยู่คนอยู่ข้างๆศาลาคงคงไปทา ง, งห้องท่านพักกันแหละผมเดินอยู่คนอยู่ข้างๆเห็นได้ยินเสียคิดปกติเสียเออว่าผมเลยปรุปับวะผมจะวิ่งไปหาท่านหน่อแหละพอผมเดินผมลองเท้าผมปรุ ป, ปับเหน่ยท่านได้ยินเสียงท่านก็เลยตึ๊กักใครมาหน่ะสระว่างหกกนะัว เขาน่อยดอมมาหนิว่าก็ยังเสียงข่อแม่คู่จัน์ผิดปกติหน่อยหนึ่งว่าหันอ่ีเออแม่นแล้วสั้นเวาฝันท่อสันลมันแล้มื่อไหร่คนแนมันก็อกคงเลยมันฝันพอแต่ฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกฟังเลยหอกเพิ่งเขาบอกว่าท่าอยู่ที่เขาอยู่างเขาก็ยินดีอุ้กนบอกว่าท่านฝันท่อแต่เมื่อเท่าคนก็บสองท้อง้าเหมือนแต่คนจะยุดเขาก็เลยหนีนีออกนั่นเห็นไล่ะ ลหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นทำไมอาจารย์มั่นเราเนี้ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจันเอาตรงนี้าายันกันอืพรถ้าท่านเห็นไหมล่ะนั่นยืนยันกันท่านฝันหรืไม่ฝันฟังสิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพระอาจารย์ก็ตามผมผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องท่าขันเป็นท่าขันเนี่ยอย่างที่ผมพูดตะกี้ อมอะไรเป็นเขาเป็นไปกระทกกทือนของขันห้าความเป็นทหัรของแต่ละองค์องค์ของของพระทหารท่านหลานมันมีอะไรที่ไปกระเทื่อนกับขันห้าพอให้สังฆาขันห้าแสดงตัวไม่ได้ละนั่นขันห้าเป็นขันห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจะผันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันห้าหนึ่ง อ, อันหนึ่งอันหนึ่งที่ว่าอ ถ้าตามแบบทำขั้นสูงสุดคืออร่าตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายในเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันท่านไม่คิดเหมือนกันนะพระอรหันนี้วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิกิตนี่เป็นพระเจ้าข้าข้าขันห้าเที่ยวหรือว่าวนักอันนี้ไม่ใช่เป็นพระจ้าข้าหนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันท่านจะรู้เองท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติอย่าไปเรื่องขันท้องท่านเหตุใดจะต้องไปตายถึง ภายในเจ็ดวันวะนี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้ากับบ้าแล้วอ๋อมันเกิดเหตุเกินผลไม่ต้องอะไรอย่ี้นี่มีความจดจาลึกมีสําคัญอยู่นะอาจจะความจำเลื่อนอะไรมาก็จะจัดอาจจะจําอ่ส่ยี่สิบห้าเดมาเรื่อยๆอยนั้นก็ได้เราก็ไม่ได้ประมาทลราอาจเป็นความกะนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อย จารึกมาเรื่อยดยค้ความจําความจําไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลําบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นแ่ะผู้ไปจดจารึกนั่นแหละไม่มีความจริงภายในจิรใจมีภูมิปีติภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจ้าไม่มีแต่ความจัล้นล้วนมา น, นี่กรอะสองทุ่มทุ่มสองทุ่นไหมฮะ้ท่านมาน่นเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงวเมื่อวานไปหาเราวันนี้ไปอีกฮะธรรมะเป็นยังไงอยู่ไหนท่านมาแน่นอ่ะฮ แล้วเป็นยังไงล่ะท่านภาวนาเป็นยังไงพูดช้าๆพูดชัดๆมันเป็นยังไงว่าสิมันถึงไปหาอยู่ตอนนี้หาพวกอยู่เพราะอะไร